พระธรรมเทศนาแผ่นที่58ลำดับที่3โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2556มีชื่อเรื่องว่านกกระยางหลอกกินปู วันนี้เป็นวันที่11พฤจจิกายนพุทธศักราช2556วันนี้รู้สึกว่าโลกช่วงนี้รู้สึกว่าโลกโลกทั้งโลกปั่นป่วนตรงพ่อจะพูดเรื่องโลกนะัน่นนะทีนี้นะโลกปั่นป่วนปั่นป่วนยังไงก็คือพายุเข้าฟิลิปปินส์เมื่อวานเนี่ยแจ้งข่าว บอกกล่าวกันมาหมดไปคนจังหวัดเดียวหมดไปหมื่นกว่าคนแล้วก็พายุความเร็วของพายุ300อกว่ากิโลต่อหนึ่งชั่วโมงคืนสูงถึงหเมตรอันนี้เพียงยังไม่ชัดเจนนะเพียงคร่าวๆหมื่นกว่าคนแล้วเดี๋ยวนี้กำลังขึ้นเวียดนามเมื่อตีสี น, น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 เขาพรอพิหารวันนี้อีกวันนี้รู้สึกว่ากรุงเทพของเรากรุงเทพมหานครปั่นป่วนไม่ด้วยคนเอย่างมากพวกที่เห็นด้วยก็มีพวกที่ไม่เห็นด้วยก็มีเพราะฉะนั้นพวกเราอยู่ข้างนอกอยู่วัดป่าอย่างนี้แหละอยู่ข้างนอกอย่างนี้แนหะพวกเราก็มีแต่ตั้งจิตอธิษฐานพระสยามเทวาธิราช เทพเจ้าเหล่าเทวาทุกชั้นภูมิภูมิมีอำนาจวาสนาบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงคุ้มครองประเทศชาติบ้านเมืองขอให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราสงบร่มเย็นเป็นสุขอยู่ใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาให้มีเมตตาต่อกันอย่าให้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นที่ทําให้เสียหายร้ายแรง ก็ขอให้มีเมตตาต่อกัน อ, อยู่ด้วยกันด้วยสันติรักกันเหมือนพี่น้องในท้องเดียวกันในท้องเดียวกันบางทีก็ฆ่ากันก็มีเหมือนกันนะจงเยี่ยงรักกว่านั้นอีกคือรักกันเหมือนกับคนอยู่ในคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละอันนี้ก็คือเดี๋ยวนี้ช่วงนี้วันนีนะ้เป็นวันที่ปันป่วน เราได้ทราบกันมานี่จะคอยฟังทั้งวันวันนี้ปอยจะเป็นประเทศชาติไทยของเราจะเป็นยังไงจะออกหัวหรือจะออกก้อยแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อเองก็ปั่นปวนเหมือนกันเป็นวัดมาได้สองสามวันอย่างหนักเหมือนกันเอาโรคเขาปั่นปวนหลวงพ่อก็ปั่นปวนเหมือนกันใช่ไหมเห็นไหมเสียงหลวงพ่อนะผิดปกติเลยวันเนี้ยแต่หลวงพ่อก็อยากจะ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 ปาถนาจะให้เป็นอย่างนั้นแต่มันก็เป็นจะทำยังไงต า, ามที่จริงก็อย่างหลวงตามหาบัวเคยพูดนะท่านพูดแบบ ล, ยลอยๆลรอท่านพูดเออมนุษย์ของเรานี่นะเห็นแก่ตัวทนะ่านไม่ได้พูดจริงจังนะถ้าเราพูดจริงจังม่งกอยังไงยังไงมนุษย์เห็นแก่ตัวแต่ตัวเองไปฆ่าคนอื่นเขาละ่ะเออ กี่ร้อยกี่พันแต่ละวันลงค่าสัตว์เรืองว่าขนปลาขึ้นมาจากทะเลเรื่องว่า้นปลาขึ้นมาจากทะเลสาบที่ไหนๆก็เถอะแต่คิดออกมาแล้วก็มากมายมหาศาลแต่ละวันแต่พอกลนตายเท่านั้นน่ะน่อยเดียวถ้าเปรียบเทียบกับสัตว์เหล่านั้นก็โวยวายโวกเวกันแต่เวลาสัตว์เหล่านั้นตายขึ้นมา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 ถ้าวัดไปมองแต่เราอย่างเดียวเราเสียหายเพียงทะดีด้กับโบกเวกโบยไวเสียหายอย่างมากแต่ไปทำคนอื่นเสียหายนเะงียบเพอเผยยังดีใจอีกต่างหากอย่างนั้นแปลว่ามนุษย์เห็นแก่ตัวนี่ลงตาท่านให้แนวความคิดนะแต่ถึงยังไงก็ตามประเทศชาติปานเมืองอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นนี่นะ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 อยู่ในสายตาว่าคุณไปอยู่ที่ไหนให้มารายงานถ้ามากกว่านั้นเขาก็เตือนอย่าทำอีกนะจางนี้ต่อไปจากนั้นก็เป็นคนอิสระทำมาค้าขายทำมาหาเลี้ยงชีพจากนั้นก็ป ร, ประกอบคุณงามความดีถ้าเราประกอบคุณงามความดีมากเป็นที่ยอมรับของคู่คน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 พระคุณของท่านก็เต็มจิตเต็มใจของประสบนิกกรทุกหมู่ทุกเหล่าพวกเรายังให้ความเคารพเชิดชูบูชาในพระคุณของพระ อ, องค์ท่านนี่แหละคนที่ทำคุณงามความดีแล้วไม่ตกไม่เสียไม่หายข้อสำคัญให้ทำให้จริงจังให้จริงจังและจริงใจให้สุดจริตในการทำเท่า น, นั้นยอย่าไปทำแบบหลอกหลอก ทำหลอกหมอนนกย่างหลอกกินปูอย่างนั้นไม่ได้แหละนกยางหลอกกินปูทำยังไงนกย่างตัวหนึ่งนะทำท่าเป็นผู้มีศีลมีธรรมไปจับอยู่ที่กิ่งต้นว่าในริมหนองอาภัยกับ น, น้องก็พยายามงัวขึ้นมาเรื่อยๆน้องก็แห้งเรื่อยๆนกกรยางตัว น, นี้ก็ลงไปคุยกับปลวกปลานะ ปลาปาในสับปลาในหนองน้ำที่มันแห้งโอ้ยปลาสู้เจ้าจะอยู่ยังไงเนยถ้าว่าสู้เจ้าขืนอยู่อย่างนี้นะน้ำมันต้องแห้งอีกนี่เดือนนี้เป็นเดือนอะไรเนี่ยเดือนมีนาเนี่ยเมษาเนี่ยพฤษภาฝนจึงจะลงมาเดือนกกว่าเนี่ยสู้เจ้าต้องตายแนย่ถ้าเป็นไปได้เนี่ย เอาไหมข้าจะเป็นผู้อาสาเห็นไหมข้าม า, มาอยู่ที่นี่ข้าไม่ได้มีอะไรยืนแผ่เมตตารักษาศีลมิถัดเห็นสุเจ้าก็สงสารสุเจ้าอีกต่างหากสุเจ้าเป็นปลาอยู่ในสระเนี่ย อ, อยู่ในนองน้นํานมันจะแห้งขอดอยู่แล้วเนี่ยเอาเถอะนะเดี๋ยวข้าจะนําปลาที่เป็นอาสาสมัครไปดูซะก่อนแล้วจะมาบอกหมู่ ถ้าไม่เชื่อข่านะไปไหมปลาตัวหนึ่งมันก็กลัวตายใช่ไหมอาสาสมัครเออไปได้ผมเป็นอาสาสมัครอมันก็เลยขาบปลาตัวหนึ่งไปไปมันก็ไปปล่อยลงหนองน้ําใหญ่ฮไปปล่อยลงน้ำใโอ้โหน้ําเขียวตลอดปลอดภัยจากนั้ น, นก็ฆ่าปลาตัวน้ำมาเลยฆ่าบปลาตัวน้ำมามาบอกให้หมูไปปลาตัวนั้นก็บอกให้หมูโอ้ใช่ใช นกยางเป็นเพื่อนที่ดีของเราเอ่อมันคาบไปไปสู่น้องน้ําใหญ่มากเลยปลอดภัยปลอดภัยป้า ป, ป้ไปพวกเราไปะอ่าพอวาดแล้วเ อ, เอาใครไปก่อนใครก็ชิงกันไปพอไปที่นี่พอคาบมันไปมันไปเอาไปน้องน้ําเสร็จแล้วที่นี่เออมันเอาไปที่ต้นที่ใดที่หนึ่งมันก็จิกกินซะอิ่มซะเออต่อมาอีกเออ มันหิวมาอีกคนก็ไปเอาไปใครจะไปอีกตัวไหนจะไปอีกก็ไปอีกไปมันก็ไปจับมาอีกมากินอีกอ่าพอกินกระดูกมันก็หล่นลงไตใต้ไอไตไตน้ําไอใต้ต้นโคนต้นไม้น่ะมันกินไม่รู้กี่ตัวตัวกี่ตัวทีนี่จนมดมดปลาในสระนั่นน่ะเอามันกินหมดแล้วทีนี่ยังเหลือแต่ปูป่ะเนี้ยปูนี่มันก็อยู่ทนกว่าเพื่อนนะใช่ไหม มันกล้ามมันใหญ่ต่างหากเนี่ยมันก็ขาันของกายของกายอยู่ในสารนำ้ำแต่นี่ไอ้นกนกยางนี่กินอยจะกินปูอีกปเนี่ยปูจะไปไหมประมาปลาเขไปหมดแล้วนะปูก็วอยไปไม่ได้เราไม่ไว้ใจอ้าวไม่ไว้ใจยังไง อ, อข้าพรเจ้าพาไปหมดแล้วอปูก็บอกว่าเออถ้าหากว่าถ้าจะให้ข้าพระเจ้าไปเนี่ย ข้าวไปเจ้าจะตองมีเทคนิคนะเอากล้ามของข้าวไปเจ้าคาบคอท่านก่อนเพราะกลัวมันจะลุดเหมือนงนเออเอาได้ได้ๆคนนั้นนกกระยางเสียรู้เลยรื่บาดนี้จากนั้นก็ตัวหนึ่งก็กล้ามเล็กก็บคาบขาใช่ไหมก้ามใหญ่ก็บคาบคอใช่ไหมล่ะคาบคอมันก็ร้วมค อ, อนกกระยางพอดีพอดีนะนี่นกล้ามปูนะแต่ น, น, นกกระยางก็พาไปแหละบินบินเบนเ บ, น, บ, น, บนไปเพอไปไปถึงไอ้ไอ้ต้นที่มันเคยกินนั่นอะ กินกินเอกินปลานะี่ยนะะมันก็ไปเกาะอยู่กิ่งไม้ตรงนั้นละ่ะปูมันก็มองลงไปเห็นโอ้โหกระดูกปลามันนกกระยางมันกินตายหมดแลวตัวเนียวซนะแน่ฮะตายหมดแล้วนะี่ยจากนั้น น, ะนกกระยางตอนนั้นก็เลยบอกว่าเออปูงั้นเอายังไงมาที่นี้นะฆ่าที่นี น, นะนก ปูเลยบอกว่านกกระยางแกกินปลาพวกนั so, ้นทางจั้นัขั้นใช้ไม่ไปนกกระยางว่าใช่เนี่ยเอามาขาวนี่ยก็จะกินกินปูอีกเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันพอวาดท่านั้นนี่ยปูท่วนั้นก็เลก้ามใหญ่มันคาบคออิบนีบเข้าเลยบาดเนี่ยคาบคอนกกระยางพอคาบน้องนกกระยางนกกยางก็ตาเลยตาเลือกเลยบาดเนี่ยเพราะมันปูปูมันก้ามใหญ่ใช่ไหมล่ะคาบคอนกกระยางนกกระยางก็ตาเลือก เออพอตาเลือกเสร็จแล้วนกไอปูก็บอกว่านกกระยางต้องเอาไปปล่อยใส่ลงสะน้ำนะถ้าไม่ปล่อยขาะน้ำฆ่าจะหนีบคอเออให้ตายเลยเดี๋ยวนีไปไปส่งฆ่าถึงสะสะใหญ่ น, ะนกกระยางเนี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงปูเนี่ยกะละล ะ, ละขึ้นมาให้มันลมๆสักหน่อยให้นกกระยางหายใจได้ใช่ไหมเสร็จแล้วนกกระยางก็ยอมแพ้เฉยๆเออมันก็พาบินไปไปลง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 แล้วก็มากินอยู่ที่นี่กระดูกเต็มไปหมดใช่ไหมนกกระยางบอกว่าใชา่อ่นี่แหละสมควรตายพอว่าดท่านั้นปูท่านเลยเหน็บคอนกอกระยางเข้าอย่างแรงองนกกระยางก็เลยมันร้องเนี่ยออกออกออ ก, ออกอมันกลัวตายไงนกกระยางก็เลยร้องออกออกกระทั่งทุกวันนี้ เ, เสียงนกกระยางฟังๆนั้นนะูกรลานนะเอนกกระยางมันร้องมันจะร้องอออกเพราปูเหนีบคอมันเหมือนันเล แต่ก่อนมันร้องเสียงดังเพราะกว่าดีนนกกระยางนะแต่แต่ปูหนีบคอมันแล้วมันก็นเลยร้องเสียงดังอ๊อกอมันร้องร้องตายนะปูที่ฉุดก็เลยหนีปูก็เลยหนีบคอมนันน่ยคอก็เลยขาดตายฮะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปทําอะไรทําหลอกหลอกเขาทําให้จริงจังและจริงใจทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่าทําเหมือนกับ น, นกยางหลอกกินปูหลอกกินปลาฮะ ถ้าทําอย่างนั้นนะ่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องของบัณฑิตนักปราชญ์อ่ามันเป็นภารลชนเป็นคนอันธพาลเป็นคนชั่วไม่ใช่คนดีนี่นะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไปอยู่นสถานที่ใดให้ซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นคนดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีคิดดีทดําดีพูดดีนะนี่แหละอยู่ที่ไหนร่มเย็นเป็นสุขหมดอ่อวันนี้กอนเนี่ยละ ขอให้พวกเราส่งพ ร, รังใจเข้าสู่พี่น้องประชาชนคนในชาติที่กรุงเทพมหานครอย่าให้ะทะเลาะวิวาทกันจนถึงประเทศชาติล่มจมจีพายเทพรรเจ้าเหล่าเทวาทางไลยพระสยามเทวาธิราชทางา้งไล่ผู้มีอำนาจวาสนาสศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากานโลกขอให้มาคุ้มครองปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์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 ใช้ทิฏฐิมรณนะเขาไปหากันาะห้ามผ่านกันไม่มีที่สิ้นสุดเป็นหมากับหมากัดหมาเป็นหมูกับหมูกัดหมูขนาดหมดก็ยังกัดมดฮนะมันทิฏฐิมรณนะมันไม่ยอมกันง่ายๆนะเป็นมนุษย์ผู้ได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณธรรมมีศีลธรรมจริยธรรมสิ่งไหนควรไม่ควรถูกต้องไม่ถูกต้องไม่มีปัญญาที่จะยับยั้งจิตใจของตนเองเชฉลือ่อฮะอันนี้พวกเราก็น่าจะคิดนะ อาราพอนอนโมธนาให้พอน